ธรรมบทแปลเรื่องที่หกเรื่องจุลการและมหาการ้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสยตับพยานครประทับอยู่ในป่าไม้ประดู่ลายทรงปราบรจุลการและมหาการตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุภานุปสิ่งวิหารตังเป็นต้น ตอนพี่น้องสามคนทำการค้าขายความพิสดารว่ากุดุมพีชาวเสตพยนคร3พี่น้องคือจุลการหนึ่งมัชิมการหนึ่งมหาการหนึ่งบรรดาพี่น้องสามคนนั้นพี่ชายใหญ่และน้องชายน้อยเที่ยวไปในทิศทั้งหลายนำสิ่งของมาด้วยเกวียน500อยเล่ม มาจิมการขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้งสองนำมาต่อมาสมัยหนึ่งพี่น้องทั้งสองนั้นบรรทุกสิ่งของต่างๆด้วยเกวียนห้0อเล่มไปสู่กรุงสวัสดีปลดเกวียนทั้งหลายในระหว่างกรุงสวัสดีและพระเชตวันต่อกันตอนมาหาการฟังธรรมแล้วลาน้องชายไปบวช ในพี่น้องสองคนนั้นมาหาการเห็นอริยาสาววกทั้งหลายชาวกรุงสาวัตถีมีมือถือระเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเยน็นจึงถามว่าชนเหล่านี้ไปไหนกันได้ฟังความนั้นแล้วคิดว่าแม้เราก็จะไปเรียกน้องชายมาแล้วบอกว่าพ่อ เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวีนทั้งหลายฝ่าย เ, าเราจะไปฟังธรรมดังนี้แล้วไปถวายบังคมพระตถาคตนั่งที่สุดบริษัทแล้ววันนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสอนุปพปิกถาตามอัธยาศัยของมหาการนั้นจึงตรัสโทษความเลวซามและความเศร้าหมองแห่งกรมทั้งหลายโดยปริยายเป็นนั้นมาก ด้วยสามารถแห่งสูตรมีทุกขักขันท่สูตรเป็นอาทิมหาการได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วจึงคิดว่าในว่าคนเราจําต้องละสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายย่มไม่ติดตามบุคคลผู้ไปประโลกเลยเราจะต้องการอะไรด้วยการครองเรือนเราจะบวชละเมื่อมหาชนถวายบังคมแล้วหลีกไป ทูลขอบรรพชากับพระศัสดาเมื่อพระศัสดารับสั่งว่าผู้ที่ท่านควรลาไร่ไรไม่มีหรือทูลว่าน้องชายของข้าพระองค์มีพระเจ้าข้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงลาเขาเสียทูลรับว่าดีละพระเจ้าข้ากลับมาบอกน้องชาย ดังนี้ว่าพ่อเจ้าจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิดจุลการก็พี่เล่าขอรับมหาการพี่จักบวชในสำนักของพระศาสดาเขาอ้อนวอนพี่ชายนั้นด้วยประการต่างๆก็ไม่อาจให้กลับได้จึงกล่าวว่าดีละพี่ขอพี่จงทําตามอธัธยาศัยเถิด มหาการไปบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วฝ่ายจุลการก็ไปบวช ด, ด้วยตั้งใจว่าเราจะชวนพี่ชายศึกตอนพระมหาการบำเพ็ญโสสานิกะทุดงในการต่อมามหาการได้อุปสมบทแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงตุราในพระศาสนา เมื่อพระสัสดาตรัส บ, บอกธุระสองอย่างแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่สามารถบําเพ็ญคันตดธุระได้เพราะข้าพระองค์บวชในการเป็นคนแก่แต่จากบาเพ็ญวิปัสนาธุระให้บริบูรณ์ทูลให้พระองค์ตรัส บ, บอกโศสายนิกาธุดงจนถึงพระอรหันต์ครั้นล่วงปฐมยามเมื่อชนนอนหลับหมดทุกคนแล้ว ไปสู่ป่าช้าเวลาจวนรุง่งเมื่อชนทั้งหมดยังไม่ทันลุกขึ้นตื่นเลยกลับมายังวิหารตอนระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าครั้งนั้นหญิงสับปะเลอคนหนึ่งชื่อกาลีผู้เฝ้าป่าช้าเห็นที่ยืนที่นั่งและที่จงกรมของพระเถ ร, ระเข้าคิดว่า ใครหนอมาในที่นี้เราจะคอยจับตัวเมื่อไม่อาจจับได้วันหนึ่งจึงตามประทีบไว้ที่กระท่อมใกล้ปราชาพระบุตธิดาไปแอบอยู่ในที่ส่วนข้างหนึ่งเห็นประเถราเดินมาในมัชิมยามจึงไปไหว้แล้วพูดว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าสำนักอยู่ในที่ของพวกดิฉันนี้หรือ พระเถระจ้าอุบาสิกาหญิงท่านผู้เจริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายเรียนระเบียบก่อนจึงจะควรพระเถระไม่กล่าวว่าก็ข้าพเจ้าจะาประพฤติในระเบียบที่เจ้าบอกแล้วอย่างไรเล่ากลับถามว่าทำอย่างไรเล่าจึงจะควรอุบาสิกาหญิง ท่านผู้เจริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายควรแจ้งความที่ตนอยู่ในป่าช้าแก่ผู้เฝ้าป่าช้าพระมหาเถระในวิหารและนายบ้านพระเถรเพราะเหตุอะไรหญิงเพราะพวกโจรทํากรรมแล้วถูกพวกเจ้าของทรัพย์สะกดตามรอยเท้าไป จึงทิ้งห่อพันธะไว้ในป่าช้าแล้วหลบหนีไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกมนุษย์ก็รุมกันทำอันตรายแก่คนที่อยู่ในป่าช้าแต่เมื่อได้แจ้งความแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นย่อมช่วยป้องกันอันตรายได้ด้วยกล่าวรับรองว่าพวกข้าพเจ้าทราบความที่ท่านผู้เจริญนี้อยู่ในที่นี้สิ้นการประมาณเท่านี้ ท่านผู้เจริญรูปนี้ไม่ใช่โจรเพราะฉะนั้นควรบอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นพระเตระกิจอื่นอะไรเล่าที่ข้าพเจ้าควรทำหญิงท่านผู้เจริญธรรมดาพระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่ในป่าช้าจำต้องเว้นวัตถุทั้งหลายมีปลาเนื้อแป้งงา และน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรจำวัดกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกีจคร้านควรปราบรบความเพียนควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่ใช่เจ้าเล่ห์เป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อชนหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจนรุ่งเมื่อหมู่ชนทุกคนยังไม่ลุกขึ้นคือตื่นนอนเลยพึ่งไปวิหาร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 พระผู้เป็นเจ้าจักยังไม่อาจเพื่อยังกิดแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ไซที่ฉันจะยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วติดไฟเผาเอาขอเกี่ยวลากศพออกมาวางไว้ภายนอกทอนด้วยขวานเฉือนให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วใส่ในไฟแสดงแก่ท่านพระผู้เป็นเจ้าแล้วจึงค่อยเผาที่นั้น พระเถระสั่งนางกาลีนั้นว่าดีละนางผู้เจริญก็นางเห็นรูปปารมณ์อย่างหนึ่งแล้วจงบอกแก่ข้าพเจ้านะนางกาลีรับว่าจ้าพระเถรราชทำสมณธรรมอยู่ในป่าช้าตามอธัธยาศัยของตนตอนพระจุลการกลุ้มใจส่วนพระจุลกา ร, เร์เถรราพุทลุกพุทธนั่ง รัจวนถึงการวาดคิดถึงบุตรและภรรยาคิดว่าพี่ชายของเรานี้ทํากรรมหนักยิ่งตอนพระมหาการพิจารณาศพกุลธิดาลำดับนั้นกุลธิดาคนหนึ่งได้ทําการละในเวลาเย็นซึ่งยังมิทันเหี่ยวแห้งซูบซีด เพราะพญาที่กำเริบขึ้นในครู่เดียวนั้นพวกญาติหามศพกุลธิดา น, นั้นไปสู่ป่าช้าในเวลาเย็นพร้อมด้วยเครื่องเผาต่างๆมีฟืนและน้ำมันเป็นต้นให้ค่าจ้างแก่หญิงเฝ้าป่าช้าด้วยความว่านางจงจัดการเผาศพนี้ดังนี้แล้วมอบศพให้แล้วหลีกไปนางเปลื้องผ้าห่มของกุลธิดา น, นั้นออกแล้ว เห็นสรีระซึ่งตายเพียงครู่เดียวนั้นแสนประณีตมีสีดังทองคําจึงคิดว่าอารมณ์นี้ควรจะแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วไปไหว้พระเถระกล่าวว่าท่านเจ้าข้าอารมณ์ชื่อเห็นปานนี้มีอยู่ขอพระคุณเจ้าพึงไปพิจารณาเถิดพระเถระรับว่าจ้าดังนี้แล้วไป ให้เลิกผ้าผมออกแล้วพิจารณาตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมแล้วพูดว่ารูปนี้ประนีตยิ่งนักมีสีดุดทองคำนางพึ่งใส่รูปนั้นในไฟในการที่รูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้วจึงบอกแก่ข้าพเจ้าดังนี้แล้วไปยังที่อยู่ของตนนั่นแหลนั่งแล้วนางทำอย่างนั้นแล้ว จึงแจ้งแก่พระเถีระรักพระเถีระรักไปพิจารณาในที่ถูกเปลวไฟกระทบแล้วกระทบแล้วสีแห่งสรีระได้เป็นดังแม่โคด่างเท้าทั้งสองงองหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหน้าผาักได้มีหนังปอกแล้วตอนพระมหาการบรรลุพระอรหันต พระเระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นธรรมชาติทำให้ไม่วายกระสันแก่บุคคลผู้ดูแลอยู่ในบัดเดี๋ยวนี้เองแต่บัดนี้กลับถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้วกลับไปที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่กล่าวคาถาว่าอนิจจาวตสร้างฆารา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 พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์แวดลอ้อมเสด็จจาริกไปยังเสตบพยนครแล้วเสด็จเข้าสู่ป่าไม้ประดู่ลายพวกภรรยาของพระจุลการได้ยินว่าข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมา ถ, ถึงแล้วคิดว่า พวกเราจะช่วยกันจับสามีของพวกเราดังนี้แล้วส่งคนไปให้ทูลอารัธนาพระศาสดาตอนระเบียบปูอาสนะสมัยพุทธกาลก็ในสถานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคยควรที่ภิกษุรูปหนึ่งผู้บอกการปูอาสนะจะต้องล่วงหน้าไปก่อน ก็อาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงให้ปูในที่ท่ามกลางอาสนะสำหรับพระสารีบุตรเถระพึงให้ปูข้างขวาอาสนะสำหรับพระมหาโมคลานเถระพึงให้ปูข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้นอาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์พึงให้ปูในข้างทั้งสองถัดจากที่นั้นไปเพราะฉะนั้น พระมหาการเถระพักอยู่ในที่หอมจีวรทรงพระจุลการไปว่าเธอจงล่วงหน้าไปบอกการปูอาสนะตอนพระจุลการถูกหญิงจับสึกพวกชนเนวเรือนทำการเสยสวนกับท่านจำเดิมแต่การที่พวกเขาเห็นท่านแกล้งปูอาสนะต่ำในที่สุดพระสังฆเถระ ปูอัสนะสูงในที่สุดของพระสังฆนวะกะพระจุลการนอกนี้ชี้แจงว่าพวกเจ้าจงอย่าทําอย่างนั้นจงปูอัสนะสูงในที่สูงปูอาสนะต่ําในที่ต่ําพวกหญิง ท, ทําทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคําของท่านรุมกันว่าท่านเที่ยวทําอะไรอยู่หน้าที่ให้ปูอัสนะไม่สมควรแก่ท่านหรือ ท่านลาใครบวชท่านใครเป็นผู้ยอมให้บวชมาในที่นี้ทำไมดังนี้แล้วช่วยกันฉุดสะบงและจีวร อ, ออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อมาลาบนสีสัแล้วส่งไปด้วยคำว่าเธอจงไปนำเสด็จพระศาสดามาเพื่อข้าพเจ้าจะปูอาสนะจุลการดารงอยู่ในภาวะแห่งภิกษุ สิ้นการไม่นานยังไม่ทันได้พรรษาก็สึกจึงไม่รู้สึกอายเพราะฉะนั้นเขาจึงหมดความรังเกียด้ดวยอ้างกับปักนั้นเสียทีเดียวไปถวายบังคมพระาศาสดาแล้วพาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุกมาก็ในการเสร็จพัฒกิจของภิกษุสงฆ์พวกภรยาของพระมหาการคิดกันว่า หญิงพวกนี้รุมจับสามีของตนได้พวกเราก็จักจับสามีของพวกเราบ้างจึงให้นิมนต์พระสัส ด, สดาเพื่อประโยชน์แก่การเสวยพระตาหารในวันรุ่งขึ้นตอนพระมหากาลก็ถูกภรรยาจับสึกก็ในการนั้นภิกษุรูปอื่นได้ไปชี้แจงให้ปู่อาชนะหญิงเหล่านั้นไม่ได้โอกาสในขณะนั้น อาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วได้ถวายภิกษาก็จุลการมีภรรยาสองคนมัชิมการมีสี่คนมหาการมีแปดคนฝ่ายภิกษุทั้งหลายใครทำพักิจได้นั่งทำพัฒกิจแล้วพวกที่ใครไปภายนอกก็ได้ลุกไปแล้วส่วนพระสัสดาประทับนั่งทรงทำพักิจ ในการเสร็จภารกิจของพระองค์หญิงเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมหาการทําอนุโมทนาแก่พวกข้าพระองค์แล้วจึงจับไปขอพระองค์เสด็จไปก่อนเถิดพระสัสดาตรัสว่าดีหลักได้เสด็จล่วงหน้าไปแล้วครั้นถึงประตูบ้านภิกษุสงฆ์ก็ยกโทษว่า ทำไมพระาศาสดาจึงทรงทำรรเช่นนี้พระองค์ทรงทราบแล้วจึงทรงทำรรหรือไม่ทรงทราบแล้วทรงทำหนอวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาเกิดขึ้นแก่จุลกาลเพราะการล่วงหน้าไปก่อนวันนี้อันตรายไม่ได้มีเพราะภิกษุอื่นล่วงหน้าไปก่อนบัด น, นี้พระาศาสดา รับสั่งให้พระมหาการยับยั้งอยู่แล้วเสด็จมาก็ภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยอาจารย์ญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายแห่งบรรพชาแก่พระมหาการนั้นได้แลหรือพระสัสดาทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จกลับมาประทับยือนอยู่ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกัน ภิกษุเหล่านั้นทูลความนั้นแล้วพระสัสดาภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอสําคัญมหาการเหมือนจุลการหรือภิกษุอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระจุลก า, าราานั้นมีภรรยาสองคนส่วนพระมหาการนี้มีถึง8คนเธอถูกปรรยาทั้ง8ดรุมจับไว้แล้วจกทําอะไรได้พระเจ้าค่า ตอนพระมหาการเป็นผู้ไม่หวั่นไหวพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นจุลการลุกขึ้นลุกขึ้นพร้อมแล้วมาไปด้วยอารมณ์ว่างามอยู่เป็นเช่นกับต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเรา ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลยเหมือนภูเขาหินแท่งทึบดังนี้แล้วได้ภาสิทธิ์พระคาถาเหล่านี้ว่าสุภานุปสิ่งวิหารตังอินดริเยสุอาสรังวตังโปชนามีอมัตตัญยุงกุซีตังฮีนวีริยังตังเวปสหตีมาโรวาตโตรุ ข, ขั้งวะดุบบลัง อสุภานุปสิ่งหิรันตังอินดริเยสุ ส, สร้างหูตังโญญนามหิจมัตตันยุงสัทธังอารัทวีริยังตังเวนปะสาหตีมาโรวาโตเซลังวะปปะตังผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สารวมในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนะกิดคราน มีความเพียนเลวซามอยู่ผูนั้นแลมารย่อมรังควานได้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงลมรังควานได้ฉะนั้นส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารกความเพียนอยู่ผูนั้นแลมารย่อมรังควานไม่ได้ เปรียบเหมือนภูเขาหินลมรังควานไม่ได้ฉะนั้นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุภานุปสิ่งได้แก่ผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอธิบายว่าผู้ปล่อยใจไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาอยู่ก็บุคคลใดเมื่อถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะ ย่อมถือว่าเล็บทั้งหลายงามถือว่านิ้วทั้งหลายงามถือว่ามือทั้งสองเท้าทั้งสองแข่งทั้งสองขาทั้งสองเอวท้องทันทั้งสองคอริมฝีปากฟันทั้งหลายปากจมูกตาทั้งสองหูทั้งสองคิ้วทั้งสองหน้าผาก ผมทั้งหลายงามถือว่าผมขนเล็บฟันหนังงามหรือถือว่าสีงามสั่วทรงงามบุคคลนี้ชื่อว่าตามเห็นอารมณ์ว่างามผู้นั้นคือผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอย่างนั้นอยู่บทว่าอินเดรีเยสุได้แก่ในอินทรีย์หกมีจักสุเป็นต้น บทว่าอาสรหุตังได้แก่ผู้ไม่รักษาทวารทั้งหลายมีจกักษุทวารเป็นต้นบทว่าอมัตตัญยุงความว่าผู้ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในโภชนะเพราะไม่รู้ประมาณนี้คือประมาณในการสแสวงหาประมาณในการรับประมาณในการบริโภคอีกอย่างหนึ่งชื่อว่า ผู้ไม่รู้จักประมาณเพราะไม่รู้ประมาณแม้นี้คือประมาณในการพิจารณาประมาณในการสละคือไม่ทราบแม้ว่าโภชนานี้ประกอบด้วยธรรมนี้ไม่ประกอบด้วยธรรมบทว่ากูซี่ตังความว่าชื่อว่าผูเกียรครานเพราะความเป็นผู้เป็นไปในอำนาจของกามวิตกพยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตกบทว่าฮีนวีริยังความว่าผู้ไม่มีความเพียรคือผู้เว้นจากการทำความเพียรในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่บทว่าปะสาหติแปลว่าย่อมครอบงาคือย่อมยีบาประกาถาว่าวาโตรุขขังวัดุบบลังความว่า เหมือนลมมีกำลังแรงรังควางต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงซึ่งเกิดริมเขาขาดอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าลมนั้นย่งส่วนต่างๆมีดอกผลใบอ่อนเป็นต้นแห่งต้นไม้นั้นให้ร่วงหลงบ้างหากกิ่งน้อยบ้างหากกิ่งใหญ่บ้างพัดถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งราก ทำให้รากขึ้นเบื้องบนกิ่งลงเบื้องล่างฉันใดมานคือกิเลสอันเกิดในภายในย่อมรังควานบุคคลผู้เห็นปานนั้นได้ฉันนั้นเหมือนกันคือกิเลสมานทำให้ต้องอาบัดเล็กๆน้อยๆเหมือนลมมีกำลังแรงพัดส่วนต่างๆมีดอกผลใบอ่อนเป็นต้นแห่งต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงให้ร่วงลงบ้าง ทำให้ต้องอาบัตมีนิสักียะเป็นต้นเหมือนลมมีกำลังแรงทำการหักกิ่งไม้เล็กๆบ้างทำให้ต้องอาบัตสังคาทิเศสิบสามเหมือนลมมีกำลังแรงทำการหักกิ่งไม้ใหญ่บ้างทำให้ต้องอาบัตปาราชิกนําออกจากศาสนาอันพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดีแล้วให้ถึงความเป็นเครือขัด โดยสองถึงสามวันเท่านั้นเหมือนลมมีกำลังแรงถอนต้นไม้ทำให้โค่นลงมีรากขึ้นเบื้องบนมีกิ่งลงเบื้องล่างบ้างกิเลสมารย่อมยังบุคคลเห็นป่านนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนบทว่าอสุภานุปสิ่งความว่าผู้เห็นอารมณ์ไม่งามสิบย่งได้อย่างหนึ่งว่าไม่งาม คือประกอบในมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูลได้แก่เห็นผมทั้งหลายโดยความไม่งามเห็นขนเล็บฟันหนังสีสวดทรงโดยความไม่งามบทว่าอิ u, นเดริเย ส, สุได้แก่ในอินซีหบทว่าสุสรังวุตังได้แก่ผู้เว้นจากการถือมีถือโดยนิมิตเป็นต้น คือผู้มีทวารอันปิดแล้วบทว่ามัตตัญญงความว่าผู้รู้จักประมาณในโภชนะโดยตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณบทว่าสัทธงความว่าผู้ประกอบด้วยโลกิยสศัทธามีอันเชื่อกรรมและผลเป็นลักษณะอย่างหนึ่งด้วยโลกุตระศัทธากล่าวคือ ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในวัตถุสอย่างหนึ่งบทว่าอารัธวีริอย่างได้แก่ผู้ประคองความเพียรคือผู้มีความเพียรเต็มที่บทว่าตังเวได้แก่บุคคลนั้นคือเห็นป่านนั้นอธิบายว่าลมมีกำลังอ่อนพัดเบา ย่อมไม่อาจให้ศิลาแท่งทึบหวั่นไหวได้ฉั้นใดกิเลสมารที่มีกำลังรามแม้เกิดขึ้นในภายในย่อมรังควานบุคคลนั้นไม่ได้คือไม่อาจให้หวั่นไหวสะเทือนคลอนแคลนได้ฉะ น, นั้นตอนพระมหาการเหาะหนีภรรยาพวกหญิงแม้เหล่านั้น ที่เป็นภรรยาเก่าของพระมหากาลนั้นล้อมพระเถระแล้วกล่าวคําเป็นต้นว่าท่านลาใครบวชบัดนี้ท่านจะเป็นครือขัดหรือจะไม่เป็นเล่าดังนี้แล้วได้เป็นผู้ใคร้เพื่อจะเปลื้องผ้ากาสายาทั้งหลายของพระเถระออกพระเถระกําหนดอาการของหญิงเหล่านั้นได้แล้วลุกจากอาสนะที่นั่งแล้วเหาะไปด้วยฤทธ ทำลายช่อฟ้าเรือนยอดไปทางอากาศเมื่อพระศาสดาพอตรัสพระกาคาถาจบลงชมเชยพระสรีร่างของพระศาสดาซึ่งมีวั น, นะดั่งทองคำลงมาถวายบังคมพระบาทยุคคนของพระตถาคตแล้วในการจบคาถาภิกษุผู้ประชุมกันดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แล เรื่องจุลการและมหาการ